เงเง่เมื่อคืนนี้นะครับเพ อ, อผมก็รอเข้าฌานดูแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะจะใช้กำลังหรือฟอสมันเข้าไปพไปเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาอะไรทั้งนั้นฮะ ม, ม, มันวันวางหมดมคิดว่าจะเข้าไปพักผ่อนเท่านั้นเองก็ถึงไหนก็ได้ ไม่จําเป็นชานเท่าไหร่ก็ได้ <c oughs> ก็ปล่อยเขาก็เข้าเข้าไปเรื่อยๆนะเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงมาถึงชานที่สนะี่เนี่ยซึ่งมันต้องก้าวเดือนมาแล้วถึงมันเข้าไม่ได้เมื <c oughs> ่เข้ามามาหยุดอยู่ในนั้นฮนะแล้วก็มันก็เห็นไอตัวผู้รู้ก็ก็ยังสว่างอยู่อย่างนั้นกนะ็ <c oughs> ดีแล้วแล้วเสร็จแล้วก็ทีนี้เขาก็อยู่อย่างนั้นฮนะเขาไม่ยอมออก พอตอนออกเนี่ยต้องใช้กําลังออต้องถอยออกมาแล้วก็ในระหว่างที่ถอยก็ดูอีตอนจุดที่เปลี่ยนที่ที่ท่านเคยบอกว่าเป็นนาทีทองนะ mm hmm. จุดที่มันเปลี่ยน mm hmm. เปลี่ยนฌานเปลี่ยนเปลี่ยนออกมาเดี mm ๋ย hmm. วก็ท่งองหอกมนาะแต่มันก็แปลกนะมันมันไม่รู้สึกไอไอเหมือนกับตึงหัวทั้งหมดนมันไม่เหมือนทั้ก่อนตึงเพราะเราไปบังคับมันครั บ, รบถ้าไม่บังคับ เราแค่ระลึกแค่มนัสสิการครับคือในคําจริงๆที่ใช้นั้นเขาใช้คําว่ามนัสสิการครั์พวกเราชอบไปเพ่งมนัสสิการมันแค่ไปใส่ใจถึงนั่นครับใส่ใจถึงอารมณ์กรรมฐานนั้นอย่างสบายๆใจก็รวมเข้าไปเองปล่อยเข้าเข้าไปเข้าก็เข้าไปเรื่อยๆเข้าเข้าเข้าเอขครับเพราะว่าเขามีความสุขแล้วเขามีความสุขเขาถึงเข้าได้ไม่มีความสุขไม่เข้าครับ คือมันรู้สึกตึงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตึงแบบนั้นมันคนละแบบมันตึงแบบที่ลมหยุดเฉยๆมันไม่ใช่ตึงแบบหัวจะแตกแบบแบบนั้นแต่เวลาออกมันต้องมันต้องถอนออกคือถ้าเขาพอเขาพอเราก็ถอยเองยังไม่ถอยออกมามันยังไม่พอก็อย่าไปฝืนมันให้มันทักให้อิ่มแลมันค่อยๆถอยออกมาเองแล้วก็เราพดูความเปลี่ยนแปลง จริงตรงนั้นมันมันหลุดแล้วตรงที่มันคิดจะถอยอ่ะตรงนั้นมันหลุดออกมาแล้วครับมันเหมือนกับว่ามันมันมีเกรงอะไรสักอย่างเดี๋ยวเกรงว่าเดี๋ยวมันมันจะให้โทษอะไรมากมันก็เลยถอยก็ออกจริงๆตรงนั้นหลุดออกจากชานและครับเพียงแต่อาการหรือความรู้สึกมันยังค้างคาอยู่เราก็เลยจงใจดึงออกมาได้ครับแต่ทีนี้มันรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเผือปล่อยไปเนี่ย ทั้งคืนก็คงจะอยู่ก็อยู่ทั้งคืนได้พักผ่อนก็เลยมากราบเรียนท่านครับคนเรียนที่วัดนี้นะมีทุกแบบครับเข้าชานก็มีนะอะไรก็ได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นตามใจนะเรียนแบบตามใจเหมือนเราขึ้นภูเขาถ้าเรายังไต่ภูเขาอยู่ยังขึ้นไม่ถึงยอด แล้วก็จะคิดว่าทางขึ้นเขาที่ดีที่สุดมีทางเดียวคือทางที่เราเลือกถ้าเราขึ้นมาบนยอดเขาแล้วเราจะรู้เลยทางขึ้นเขาเยอะแยะเลยแต่ให้ทิศทางของมันถูกก็แล้วกันงัอนถ้าเป็นการรู้กายรู้ใจก็ถูกถ้าจะรู้กายทำฌานก่อนอย่างนั้นยิ่งดีถ้าจะรู้จิตใจก็รู้ไปเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันรู้กายก็มีหลายแบบ เรารู้อิรยาบถสีนี่ง่ายตื้นตื้นง่ายๆอันนี้ก็เหมาะทั่วๆไปไม่ต้องใช้สติปัญญามากคือแต่เดิมเนี่ยคนจะคิดว่าถ้ารู้อารมณ์รูปนามแล้วจะต้องเป็นวิปัสสนาคนจะเข้าใจตรนีผิดนะมันจะเป็นวิปัสสนาต่อเมื่อมันเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนี่ก่อนที่จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนี่ก็เป็นได้แต่สมถะ งั้นสมถะกัวิปัสสนาต่างกันวิปัสสนาต้องรู้รูปนามรู้อย่างอื่นไม่ได้รู้สุญญาตาอะไรไม่ได้ต้องรู้รูปนามไปคิดเรื่องรูปนามก็ไม่ได้ต้องรู้เอาส่วนสมถะไม่เลือกอารมณ์เลยใช่อารมณ์บัญญัติก็ได้เช่นเราพุโทโธพุโทโธเราพิจารณากายเป็นปฏิกูณสุภาอะไรเงี้ยนี่เป็นอารมณ์บัญญัติหรือรู้รูปนามก็ได้ตรงที่จิตยังไม่ขึ้นไปเห็นไตรลักษณ์ ก็เป็นสมถะเช่นเราเห็นร่างกายนี้หายใจไปเห็นท้องพองยุบไปอะไรส่วนใหญ่ก็ไปติดอยู่แค่สมถะไม่ขึ้นวิปัสสนา จ, จริงเพระใจเข้าไปแช่กระทั่งนิพพานก็เอาเป็นอารมณ์ของสมถะได้เงั้นสมถะกรรมฐานนี่ไม่เรื่องอารมณ์เลยได้ทุกชนิดเลยเพราะตัวอารมณ์มันก็ประกอบด้วยอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดเช่นคิดพิจารณากายเป็นปฏิปูรสุภะ อารมณ์รูปนามใช้เพ่งรูปเพ่งนามก็เป็นสมถะอารมณ์นิพพานก็เป็นสมถะสำหรับทำผลสมาบัติแต่ถ้าจะทำวิปัสสนานะต้องรู้รูปนามเพราวิปัสสนาทำยากมันเลือกอารมณ์แล้วก็เลือกวิธีรู้อารมณ์เลยลำพังเลือกอารมณ์ถูกต้องแล้วรู้รูปนามถูกต้อง วิธีรู้รูปนามไม่ถูกต้องมันก็เป็นสมถะอีกเช่นเอาใจเข้าไปแช่ไว้กับลมเอาใจไปแช่ไว้กับท้องท้องของยุล้แช่แนบเข้าไปก็เป็นสมถะเดินจงกรมเอาใจแช่ไว้ที่เท้าก็เป็นสมถะรู้อิริยาบถสีเพ่งมันทั้งกายเลยก็เป็นสมถะนะงั้นสมถะทําง่ายส่วนใหญ่ที่ผู้ปฏิบัติทำมันจะได้แค่สมถะ นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้มีความสุขพรุ่งนี้ไม่มีความสุขวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซานกี่ปีกี่ชาติเวียนอยู่แค่นี้เองถ้าไม่เวียนอยู่อย่างนี้ก็คือเป็นค้างคาอยู่กับความนิ่งๆิ่งว่างๆก็ไปเพ่งไว้กี่ปีกี่ชาติก็ว่างอยู่กันแนะแต่ว่ากิเลสไม่ละไม่ลดไม่ละถ้าเราช่างสังเกตห้เห็นนะมันไม่ลดไม่ละกิเลสอะไร กิเลสครอบงำได้เราครอบงําแล้วก็มาอธิบายนะว่าเป็นกิริยากิริยาจิตไม่ได้ถูกกิเลสครอบงํานะกิริยาจิตเนี่ยจิตมันอยู่ต่างหากเลย <S 1> <S 1> จิตมันกว้างขวางไรขอบไรเขตดูออกไหมจิตที่มันกว้างขวางมันไม่มีขอบมีเขตอะไรมันไม่ใช่กิริยาจิตก็คือโท่สาคร่บงําโมโหปลุกปลามปรุกปลามแล้วบอกว่ากิริยาจิตโมโหเป็นกิริยาไหมครับท่านครับขอเรียนถามอีกนหนาน ในขณะที่รู้รูปนามเนี่ยนะในขณะที่เอารูปนามเป็นอารมณ์เนี่ยนะครับแล้วก็มีสติสมัชทัญญะอยู่เนะี่ยก็ยังไม่เป็นวิปไม่ถึงวิปัสนาแท้ใช่ไหมฮะถ้าถึงเนี่ยต้องต้องไปเห็นตจลักต้องไปเห็นใจลักทิ้งจะเป็นวิปัสนาตรงนั้นตรงขณะที่เห็นนั่นเท่านั้นในะเพราะก่อนหน้านั้นก็คือการเตรียมตัวเท่านั้นเองเพื่อที่จะเข้าไปเห็นใช่ มิปัสสนาเป็นการเห็นอย่างวิเศษ<ะ>อย่างยอดเยี่ยมที่เห็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นรูปนามไม่ใช่เห็นยอดเยี่ยมครับ<ะ>ยังไม่วิเศษเท่าไร<ะ>รูปนามมันเริ่มกระจายตัวออกตั้งแต่ทันทีที่เรามีสติสติตัวจริงเกิดนะที่เห็นในรูปส่วนรูปนามส่วนนาม<ะ>ตรงนี้เรียกนามรูปปริเฉทญาณยังไม่ขึ้นมิปัสสนามิปัสสนาขึ้นในอุเทยพิยยานตรงอุเทยพิยยานนี่เห็น รูปนามมันเกิดดับเห็นสัน ต, ติความสืบเนื่องนี้ขาดหรือเห็นคณะคณะแตกแตกหรือขันกระจัดกระจายออกไปเลยแล้วแต่ละขันทำงานของมันเองทำหน้าที่ของมันเองล้วนๆเลยบังคับมันไม่ได้เนั้นมีสติขึ้นมานะนได้ต้นทางละมีเครื่องมือเะั้นจิตยังมีสองชนิดตรงที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตชนิดหนึ่งเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ยังไม่มีปัญญา แต่ในอภิธรรมก็ถือว่ามีปัญญาแล้แยกรูปแยกนามได้ถือมีปัญญาแล้วแต่เราปัญญาในแง่ของนักปฏิบัติจริงๆมันต้องเห็นใตรลักษณ์ปัญญาก่อนหน้านั้นก็อนุโลมว่าปัญญานะพูดเอาใจกัน่จริงๆมันรู้ซื่อบือนะมันรู้ตัวขึ้นมาเฉยๆแต่แต่มันไม่เดินปัญญามีแต่รู้เฉยๆจ้าจ้าอยู่น ะ, นะไม่หลงแต่ถามว่าเป็นกุศลไหมเป็นกุศลเหมือนกันแต่ไม่ฉลาด ฉลาดนิดหน่อยถ้าพูดเอาใจนะฉลาดนิดหน่อยแต่จิตอีกดวงหนึ่งนะตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นความจริงของรูปของนามเห็นใตรลักษณ์อนนี้ถึงจะมีปัญญาจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติเลยมีสองสเตป็ปการทำสติปัฏฐานนะมีสองสเตป็ปสเต็ปที่หนึ่งทำไปเพื่อให้เกิดสติสเต็ปที่สองทไปเพื่อให้เกิดปัญญาสองอันนี้ต่างกัน การจะให้เกิดสตินะให้ตามรู้กายตามรู้ใจตามรู้หมดเลยนะนั้นท่านใช้คําว่ากายานุปัสสนาการตามเห็นกายเวทนานุปัสสนาการตามเห็นเวทนาจิตตานุปัสสนาการตามเห็นจิตเป็นการตามทั้งหมดเลยพอตามไปตามไปทํามว่าตามไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตจําสภาวะได้ตามรู้ทุกวันนะเช่นร่างกายมันขยับไปยื่นเคลื่อนไหวไม่ใจลอยไปคอยรู้สึกด้วยรู้สึกเรื่อๆนะรู้สึกไปไม่เผลอไป ในสุดพอร่างกายขยับปั๊บความรู้สึกตัวก็เกิด น, นี่แค่นี้ให้มีสติหัดรู้สภาวะทางใจให้เราหัดหายใจไปหัดพุดโทโธไปหรือหัดดูท้องพองยุบไปแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศ ล, ลก็รู้นี่หัดรู้สภาวะพอเราหัดรู้สภาวะนี่ตามรู้กายตามรู้ใจมากๆแล้วจำสภาวะได้แม่นขึ้นมาจิตมันจำได้แม่นสติจะเกิดเอง เช่นเรารู้ว่าเผลอเป็นยังไงแอบไปคิดเป็นยังไงพอใจมันไหลไปคิดแวบบสติเกิดเองระลึกขึ้นได้ว่าเผลอไปแล้วนี่สติจริงๆคือความระลึกได้ไม่ใช่กำหนดนะสติกำนด์นี่ของปลอมเลยมันเป็นสมถะล้วนๆเลยน้่นสติคือความระลึกได้ระลึกได้เพราะจำได้จำได้เพราะเห็นบ่อยงั้นสติปัฏฐานนี่เบื้องต้นก็คือตามเห็นบ่อยๆเพื่อจะได้จำได้เป็นการตามเห็นทั้งนั้นเลย แต่ว่าพอถึงสเต็ปที่สองในขั้นการเจริญปัญญาเนี่ยเวลารู้รูปรู้ลงปัจจุบันไม่ใช่ตามนลรู้ลงปัจจุบันแต่การรู้นามยังเป็นการตามเห็นอย่างเดิมไม่เหมือนกันก็สเต็ปที่สองนี่จะต่างกันระหว่างการรู้รูปกับรู้นามรูปรู้ลงปัจจุบันทำไมรูปรู้ลงปัจจุบันได้เพราะรูปอายุยืนแต่นามนี้อายุสั้นนั้นรู้นามรู้ไม่ได้ปัจจุบันนามเกิดชั่วขณะจิตเท่านั้นขณะจิต ต่อหน้าต่อ ต, อตาเนีเกิดขึ้นแว บ, บหนึ่งก็ดับไปแล้วมั้นมันจะเป็นการรู้ตามหลังตลอดฉนั้นสองสเตปนี้ไม่เหมือนกันแต่ขั้นแรกเหมือนกันนะท่านถึงใช้คำว่ากายานุปษษัสนาการตามเห็นกายเป็นการตามนี้ตามมากเข้ามากเข้าสติตัวจริงเกิดพอสติตัวจริงเกิดเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีสายกายสายจิตแล้วถึงจุดนี้บางครั้งสติระลึกรู้กายลงเป็นปัจจุบัน บางครงสติตามรู้จิตที่เพิ่งดับไปสดๆสดสดร้อนๆเมื่อรู้มากเข้ามาเข้าปัญญาก็สะสมแต่เดิมรู้แล้วมันฝืนความรู้สึกรู้แรกๆอยจะฝืนความรู้สึกนะรู้สึกใจหายรู้สึกน่ากลัวเหลือเกินตัวเราหายไปไหนเนี่พอเห็นแล้วนะขันห้ากระจายออกไปขันห้าทํางานของมันเกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ตัวเราไม่มีชักตกใจบางคนโตตกใจเนี่ยเพราะว่ามันฝืนความรู้สึก ตรงนี้ก็เป็นยานที่เคยเบเคยเบขึ้นมานะตั้งแต่นี้พี่ทา ย, ยานขึ้นไปพนะิยตุปัฏฐานนานอตินาวา ย, ยานในกลุ่มนี้เป็นเป็นยานพึ่งใจมันยังไม่ยอมรับมันไม่ยอมรับไจ ร, รักแท้ๆนะไปเห็นใจ ร, รักแต่สยองเนี่หลายคนภาวนามาถึงตรงนี้โอ้แย่แล้วไม่ก็เบื่อไปหมดเลยเบื่อสุขเบื่อทุกข์เบื่อดีเบื่อชั่วเบื่อละเอียดเบื่อหยาบ เบื่อภายในภาย น, ภายนอกเบื่อเสมอกําหนดเลยอะไรอะไรก็น่าเบื่อทั้งหมดเลยไม่เบื่ออันเดียวคือไม่เบื่อความเบื่อนี่ถ้าสติปัญญานะไม่ท้อถอยตามรู้ตามดูปีวันนึ่งค่อยฉลาดขึ้นความรู้สึกแปลกปลอมทั้งหลายก็ยังเป็นแค่สิ่งแปลกปลอมใจก็ให้ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาคราวนี้รู้รูปรู้นามที่แสดงไตรลักษณ์ด้วยความเป็นกลางตัวนี้ตัวจะแตกหักละ พอมันรู้อย่างเป็นกลางมากเข้ามากเข้านะปัญญาแก่รอบจริงๆจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเสร็จแล้วก็ยังเห็นรูปนามเกิดดับอีกสองขนาดบ้างสาขนาดบ้างแต่เป็นการเห็นแบบมีอนุโลมอย่างใจคล้อยตามสัจจะใจไม่ฝืนความจริง แ, แต่เดิมนี้ที่ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใจจะฝืนความจริงตลอดเลยของไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงของเป็นทุกข์อยากให้สุขนะของบังคับไม่ได้อยากบังคับให้ได้ ที่พวกเราภาถนาแทบเป็นแทบตายรู้สึกไหมอยากให้เราบรรลุมรรคผนิพพานนี่เป็นความอยากที่ฝืนความจริงนะเพราะว่าผิดหลายตัว อ, อยากมันก็ไม่ได้แล้วอยากมันก็ทุกข์แล้วเราก็ไม่มีจะอยากให้เราบรรลุมันมีความอยากที่ไร้เดียงสายแต่ตรงที่จิตถึงอนุโล ม, มิขยานคล้อยตามความจริง น, ะ อ, งน อ, อนุโลมมันคล้อยตามนะคล้อยตามความจริงคล้อยตามสัจจะ ตรงนี้มีสามขณะถ้าเต็มรูปนะมีบริกรรมมีอุปจาระมีตัวอนุโลมอนุโลมตัวสุดท้ายเป็นตัวตัดตัดกระแสการรู้อารมณ์รูปนามเพราะงั้นเวลาที่จิตรวมเข้าไปจิตเป็นกลางกลางไปถึงคิดสุดนะตะปัญญาพอแล้วมันเข้าอัปปนาอัปปนาแล้วจะเห็นสภาวะเกิดดับสองขณะบ้งสามขณะขณะที่สองหรือขณะที่3เป็นตัวสุดท้ายเนะี่ย จะตัดตัดการรู้รูปนามตัดอารมณ์ของฝ่ายโลกิยะลงเสร็จแล้วมันจะทวนกระแสะเข้าหาธาตุรู้ตัวนี้เองที่ว่าเราจะต้องฝึกจิตของเราจะต้องฝึกจนมันตั้งมั่นนะมีเอโกที่ภาวะอยู่มีความตั้งมัน่นไงั้นพอมันวางอารมณ์รูปนามนี้ปุ๊บมันจะหนีไปหาอารมณ์บัญญัติแทนนั่นใจเราเราต้องฝึกอย่างเงีทั้ง ม, มีเอโกที่ภาวะพอไม่รู้จะรู้อะไรมันจะทวนกระแสะเข้าหาธาตุรู้นี่อัตโนมัติ ถ้าเจือด้วยความจงใจนิดนึงมกักผลจะเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่เราหัดรู้สึกตัวหัดรู้สึกตัวเนี่ยเพื่อจะตัวรู้สึกตัวนี้จะเด่นขึ้นมาพอใจไม่หลงไปสู่อารมณ์อื่นแล้วมันจะทวนกระแสเข้ามาหาตัวรู้อัตโนมัติตัวเนี้ยอัตโนมัติเพนั้นต้องหัดมากๆถ้าหัดไม่พอเนี่ยพอมันวางอารมณ์นี้ปุ๊บจะไป็กว่าอารมณ์อื่นต่อมันจะไม่ถวนเข้าหาธาตุรู้ตรงที่มันดับกระแสของโลกียะลงไป อนุโลมยาณดับกระแสของโลกิยาลงไปแล้วนี่จะทวนเข้าหาธาตุรู้ไม่ไม่ใช่โลกิยะไม่จับโลกิยะแต่ยังไม่เข้าถึงโลกรุตระเป็นโกรตราภูยานจิตมีจิตทําหน้าที่ตัวนี้อยู่โดถ้าทวนเข้าถึงอริยมรรคแล้ตัวมรรคนี่ยังเป็นชาติกุศลอีกนะเป็นชาติกุศลแต่ตัวผลเป็นชาติวิบากตัววิบากนะเป็นผล ใช่เมื่อมันทวนกระแสเข้าถึงาธาตุรู้นะอริยมรรคมันจะแวกสิ่งที่ห่อหุ้มอยู่จะแวกออกนะแวกมากออกไปจิตใจที่ไม่มีอะไรห่อหุ้มไม่เป็นอิสระขึ้มนมาชั่วกราบสองสามขณะความไม่มีอะไรมีแต่ความสุขล้วนๆหนนะึ่งแต่พอเห็นครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งยังจําไม่ได้นะจำไม่แม่นหรอกแต่เห็นสี่ครั้งแล้วมันจะมีปัจเจกทวนทวนไปถึงนิพพาน ตอนครั้งที่หนึ่งสองามเนี่ยปัจเจเบกมันไม่ไปดูนิพพานมันจะไปดูกิเลสกิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังเหลือเออยัง ม, ม, มีงานที่ทําตัวสุดท้ายไม่มีงานทํานะจะไปดูนิพพานดีแล้วคุณนําเกิงภาวนาดีครับคุณบางออนรู้สึกจิตใสขึ้นกว่าวันของเจ้าค่ะเนี่ใช้ได้เลย ส, สองท่านทั้งยมยังมัวนิดนึงหรือออกไหมแต่ดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยดีแล้ว ภาวนาก็แบบส บ, สบายๆเจ้ค่ะนั่นแหละถูกต้องและ <c oughs> เห็นไหมการปฏิบัติจริงๆไม่ได้มีอะไรไม่ได้ทําอะไร <c oughs> มันสบายเพราะไม่ได้ทําอะไร <c oughs> เรียนรู้ความจริงเห็นไหมกายมันทํางานใจมันทํางานขันมันทํางานของมันเราแค่เรียนรู้มันไปเรื่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรเลยง่ายสุดๆเลยนี่พวกเราชอบไปทํามันช้าไปแต่งชอบไปเติมเวลาที่เรารู้จิตรู้ใจเราให้เรารู้ทันนะ จิตใจมันแอบปรุงแต่งเนี่ยไม่มีปัญหาเลยจิตใจมันจะต้องมีหน้าที่ปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วเพฉะนั้นจิตใจจะปรุงแต่งเช่นมันไปปรุงโทสะปรุงราคะอะไรไม่ใช่เรื่องเป็นปัญหานะปัญหาอยู่ตรงที่เราไปช่วยมันปรุงนะครับเพราะฉะนั้นจิตมันปรุงกิเลสขึ้นมาเช่นมันปรุงโทสะขึ้นมาแล้วเราอยากหายตรงเนี้ยที่มีปัญหาแต่ถ้าเราเราไปเห็นนะจิตมันปรุงโทสะขึ้นมาแล้ว เราเป็นกลางนะไม่ดิ้นต่อเลยนะตรงเนี้เสุดยอดกรรมาฐานเลยงั้นการที่จิตปรุงแต่งเนะี่ยไม่ใช่เรื่องที่มีปัญหาเรื่องที่มีปัญหาคือเราไปช่วยมันปรุงแต่งนี่ถ้ารู้ทันความปรุงแต่งที่เราไปจงใจทําขึ้นมาด้วยตัณหาเรามียวิชากว่าเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรานะเป็นตัวเราอย่างแท้จริงอยากให้มันดีอยากให้มันสุขก็เลยเกิดตัณหาปรุงแต่งปรุงดีปรุงพยายามจะดีพยายามจะสุขนั่นแหละ ปลุงขึ้นมาอปรุงขึ้นมานะใจก็ไม่เป็นอิสระแต่ถ้าจิตมันปรุงเนี่ยจิตมันปรุงไปแต่ใจไม่ช่วยมันปรุงนะต่ไม่ช่วยมันปรุงมันปรุงโทสะขึ้นมาใจสักแต่ว่ารู้ไม่เกลียดโทสะสักนิดเลยนะโทสะจะกระเด็นหายไปใจก็จะเป็นอิสระอยู่นะเป็นกลางสบายเนี่ยมากเข้ามากเข้านะใจมันจะพ้นความปรุงแต่งได้แต่จะไปให้จิตเลิกปรุงแต่งนี่เลิกไม่ได้นะ จิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเพรานั้นไม่ว่าจะจิตของผู้ปฏิบัติชั้นไหนก็ตามก็ยังคิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะไม่ใช่ฝึกจนเป็นพระอรหันต์แล้วกลายเป็นต้นไม้คิดไม่เป็นไม่ใช่นะมันคิดของมันนีที่ว่าเป็นปิยาเป็นปิยาที่มันทําของมันแต่ว่าเราไม่ช่วยมันทําสักนิดเลยมันหยุดความปรุงแต่งนิ่งสนิทเลยเนี่ยจิตมันปรุงมันคิด หน้าที่เราอย่าไปช่วยมันคิดหน้าที่ก็แค่รู้ว่ามันคิดเงั้นจิตปรุงแต่งไม่เป็นไรอย่าไปช่วยมันปรุงก็แล้วกันช่วยมันเพิ่มงานเาความทุกข์มาใส่ตัวเองพอพอคิดคํานี้ได้เนี่ยจะหยุดหยุดช่วยได้เร็วขึ้นเจ้าคะ่ะใช่งั้นต้องฟังเนี่ยฟังไปเรื่อยๆฟังจนใจมันซึมซับ ธ, ธรรมะนะแล้วขอมันปรุงขึ้นมาธรรมะมันจะสอนขึ้นมา บางคนมีเสียงประกอบนะมีเสียงหลวงพ่อประกอบนะบางคนมีภาพประกอบอย่างคนที่ฟังธรรมะหลวงพ่อฟังฟังไว้ต่อไปสมมติหลวงพ่อตายไปแล้วนะติดขัดอยู่มันขึ้นมาสอนได้นะไม่ใช่หลวงพ่อมาสอนนะมันขึ้นมาเองเลยโอ้จิตนะเป็นอัศจรรย์จิตแบงไงคุณบางออนแล้วไงอีกไม่มีอะไรนละ้จิดีแล้วถอนนีดเพ่งนิดนีดนะใช่ ให้รู้ทันเนี่เราช่วยมันทําคำแต่เราจะไม่ช่วยมันทําก็ยังไม่ได้นะต้องรู้ทันไปเรื่อยไปช่วยแล้วทุกนะช่วยแล้วทุกนะถ้าไปไม่ช่วยมันจะหลุดออกมาอย่างคุณบางอนวันนี้ไม่ได้ช่วยแต่เริ่มช่วยแล้วไงคือเมื่อวานเนียฟุ้งซ่านมากมากเลยหลวงพ่อใจมันไม่ไหวจิตมันฟุ้งซ่านเรื่องของเขาคอย่าไปปรุงแต่งคเช่นปรุงแต่งไม่ให้ฟุ้งซ่าน นั่นก็ปลูปแต่งจนจนท้อท้อเลยเอไปไปนั่งดูลมดีกว่ารู้สึกค่อยชั่วได้ได้นะถ้าฟุ้งจนดูไม่รู้เรื่องแล้วก็มารู้ลมหายใจได้ก็ทําสมถะแล้วแล้วพอพอเมื่อเช้าตื่นมาเอ้เพิ่งเพิ่งเห็นว่าเกระพริบตานี่เขากระพริบเองคือทุกทีคือคุยกับคุณหน่อยคุณหน่อยบอกว่าหลมเข้ากําเขียนให้กระพริบตาแล้วหนูก็ทําทุกครั้งอะค่ะพอเสร็จแล้วก็มันเหนื่อยไม่ไหวเพิ่งเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี่เอ้เขากะพริใจกับพริปเหนื่อยนะ เหนื่อยมากจงใจกับพิมเหนื่อยนะเล้าเป็นกับพิมของมันเองนะสัตวแต่รู้สัตแต่ดูพอเพิ่งเพิ่งเห็นว่าเอ้เขากับพิบพ์เขาเองเมื่อเช้านี้เองอะเป็นจีลพันธ์มีอะไรไหมมีโมหะนิดนึงถามีอะไรไหมมีโมหะหน่อยเอาม้งอ่เครียดนิดหน่อยค่ะเออเครียดเคียรู้ว่าเครียดแล้วไงอะทำไงดี รู้แต่ว่าก็รู้ว่าไม่ชอบค่ะแต่รู้ว่าไม่ชอบ <c oughs> ใช่ได้เนี่ยรู้ลงปัจจุบันอย่างเราเครียดขึ้นมาความเครียดเป็นอารมณ์ปัจจุบันเราก็รู้ว่าเครียดเข้าใจมันไปรู้ว่าเครียดใจไม่ชอบไม่ชอบเป็นอารมณ์ปัจจุบันแลให้รู้ว่าไม่ชอบรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆตามรู้อารมณ์ที่สดๆร้อนๆ่ะในสุดใจวันหนึ่งใจจะเป็นกลางนะ แต่เป็นกลางไนดะ้ยากมากเลยกว่าจะเป็นกลางได้คนหนึ่งคนเป็นกลางแล้วยังเสื่อมได้อีกวันหนึ่งเป็นกลางอยู่วันหนึ่งไม่เป็นกลางก็ได้ยังเสื่อมได้ยังเป็นโลกิยาอยู่นั้นสังขารู้เบกขายาเนี่ยังเป็นโลกิยะวันนี้ก็ฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณไม่ไม่มากอะคะพอฝึกทางด้านพ อ, อ, องยุคม า, าก็เราไปฟังของคุณอ้ยอยเราไปฟัเ อ, อลูกศิษยออ์อ้อยเออทั้งผิดชอบ <laughs> ก็ทางยูพูดนะคะแล้วก็ไปทางหลวงพ่อจรันแล้วก็พี่สาวโยนซีดีกับหนังสือมาให้ก็มาเปิดฟังตอนนี้ก็คือบางคืนที่นอนนอนไม่หลับเนี่ยก็ใช้ซีดีหลวงพ่อช่างมันทั้งหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังมีเสียงหลวงพ่อเป็นเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะก็ไม่รู้จะได้อะไรไหมมีเสียงหลวงพ่อแล้วเปิดซีดีอยู่หรือเปล่า เปิดเปิดเปิอ็มสาค่ะเปิดอ็มพีมก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่มีอะไรจะส่งนะคะเพราะ i, ยังไม่ได้ปฏิบัติทางด้านนี้จริงๆอาจจะมีสตินะสติจริงๆสติที่เราฝึกไม่ใช่ของจริงสติไม่ใช่แปลว่ากําหนดสติคือความระลึกได้นี่มันระลึกขึ้นมาได้ปุ๊บจิตใจมันจะไม่เลื่อนลอยใจของเราปรกติมันจะเลื่อนลอยลอยไปทางตาลอยไปทางหูลอยไปคิดรู้สึกไม่ลอยทั้งวัน ลอยไปทางตาไปดูเขาลืมตัวเองลอยไปทางหูไปฟังเขาคุยกันลืมตัวเองลอยไปทางใจนั่งคิดไปเรื่อยๆลืมตัวเองเนี่ยเรียกว่าขาดสติสติเป็นความไม่เลื่อนลอยถ้ามีสติขึ้นมาใจจะไม่เลื่อนลอยใจจะรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจแต่ไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจนะาการกำหนดนี่จะเป็นนำไปสู่การเพ่งกายเพ่งใจไปเกิดสมถะนี่อะไรทาให้สติเกิด เราไปคิดว่ากำหนดมากๆแล้วสติจะเกิดในคำพีในพระพิธรรมไม่ได้สอนอย่างนั้นสติไม่ได้เกิดจากการกำหนดไม่ได้เกิดจากการเพ่งไม่ได้เกิดจากการบังคับในความเป็นจริงแล้วสติเป็นอนัตตาอย่าว่าแต่จะทำให้สติเกิ ด, ดยาวๆเลยขณะเดียวก็ทำให้เกิดไม่ได้สติเป็นอนัตตาสติมีเหตุสติถึงจะเกิดได้ถ้าไม่มีเหตุที่ถูกต้องสติไม่เกิด งั้นอย่างเราไปกําหนดกําหนดมาว่าสติจะเกิดเกิดไหมไม่เกิดเพราะว่าไม่ใช่เหตุให้เกิดสติการกําหนดอนะอะไรทําให้สติเกิดทิระสัญญาเป็นเหตุให้เกิดสติคําว่าทิระสัญญาถ่อถุงสระอิรอเรือทิระเป็นคําว่าสะเทียนนั่นแหะทิระสัญญาการที่จิตมรนจดจําสภาวะธรรมได้แม่นยําจะทําให้สติเกิดงั้นเราต้องหัดรู้จักสภาวะนะ หัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆยกตัวอย่างอย่างเราดูท้องพองยุบอยู่ใจมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธหัดรู้จักว่าอ้ อ, อกโกรธเป็นอย่างนี้เผลอไปคิดเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ไปบริกรรมเพื่อตัดสภาวะนะไม่ใช่ไปบริกรรมเพื่อตัดสภาวะหลายคนไปคิดว่าต้องบริกรรมหลายคนบอกล้วลงหนอด้วยหนอจะได้คณิกะสมาธิสติอยู่ที่หนึ่งคณิกะสมาธิอยู่ที่หนึ่งอย่างนี้ใช้ไม่ได้ แท้จริงสติสมาธิปัญญาต้องเรียงร้อยลงในจุดเดียวกันไม่ใช่มีสติไปะระลึกรู้ว่าโกรธปุ๊บใช่แล้วมาบริกรรมแล้วลงหนอเนี่ยเพื่อให้เกิดคณิกะให้ตัดสภาวะอันนี้ไม่ใช่แล้วสติอยู่ตรงใดตรงไหนคณิกะสมาธิก็อยู่ตรงนั้นเกิดที่เดียวกันถ้าสติตัวจริงนะนสติสมาธิปัญญามเรียงร้อยอยู่ในจุดเดียวกันเวลาเกิดมรรคเนี่ยมรรคถึงเกิดที่เดียวกัน เรียกว่ามัศมังคีนะพระป่าชอบเรียกความจริงมัสมีหนึ่งเท่านั้นมัสมันไม่ได้มี8ดมัสมไม่ใช่ว่าสติอยู่ที่หนึ่งสมาธิอยู่ที่หนึ่งวันนี้ฝึกสติวันนี้ฝึกสมาธิอะไรย่างนี้ไม่ใช่อันเดียวเลยต้องขณะจิตเดียวที่เป็นปัจจุบันนั่นแหะต้องลงที่เดียวกันให้ได้นี้ทําไงมันจะเกิดสติสมาธิลงที่เดียวกันได้เพราะหาดู้จักสภาวะไปเช่นดูท้องพองยุบไปก็ได้ถ้าดูแล้วไม่เครียดถ้าดูแล้วเครียดแสดงว่าไม่ถูกจริต กรรมฐานอะไรทำแล้วเครียดแสดงไม่ถูกจริให้เปลี่ยนซะไปหาอันอื่นทำทำแล้วสบายสบายก็ใช้ได้ทำแล้วก็หัดดูสภาวะไปเช่นดูท้องพองยกใจแอบไปคิดรู้ว่าใจไปคิดอย่าไปคิดหนอเพื่อให้เลิกคิดนะเราหัดรู้เท่านั้นอ้อใจไปคิดแล้วแล้วก็มาดูท้องพองยกต่อไปใจหนีไปคิดอีกพอรู้ทันนะจะแอบไปดึง ไปดึงคืนมารู้ทันสภาวะว่ามีการดึงนี่ก็หัดรู้สภาวะนี่สภาวะดึงเกิดขึ้นหัดรู้สภาวะเรื่อยๆจิตมันจะโลภจะโกรธจะหลงจะสุขจะทุกข์จะดีจะร้ายหัดรู้ไปเรื่อยๆถ้าจิตจําสภาวะได้แม่นจําสภาวะได้มากแล้วสติจะเกิดบ่อย mm hmm. เกิดเองนะสติไม่ใช่สั่งให้เกิดเช่นเราเห็นเพื่อนเราเดินมาเราดีใจอยากไปคุยกับเขาพอดีใจปุ๊บรู้เลยว่าดีใจอยากไปคุยกับเขารู้เลยว่าอยากคุย หรือไม่รู้กายไม่รู้ใจดูใจไม่ออกเราดูร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนเราหัดรู้เรื่อยๆแต่มาพอเราใจลอยเห็นเพื่อนเราเดินอยู่ฝั่งถนนนเราก้าวขาไปจะไปคุยกับเขาพรเท้าขยับเนะี่ยความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเองแต่ไม่ใช่ว่าย่างหนออะไรย่างนี้นะ <c oughs> นั่นไม่ใช่นะั <c oughs> นั้นไม่มีในพระไตรปิฎกหรอกว่าไงหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้โยมภาวนาคือใช้ได้หรื อ, อยังเจ้าค่ะ พอใช้ได้นะแต่ยังไม่ตื่นเต็มที่พอใช้ได้แล้วแหะดีกว่าคนนี้คนนี้ติดกันเพ่งอนนี้เพ่งเยอะกว่าเราจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมอจารย์หดู้สภาวะไงล่ะหัดรู้สภาวาละาาวาลูกเดียวเลยนะแต่ละคนก็หาอารมณ์กรรมฐานที่ทําแล้วสบายใจขึ้นมาสักอันหนึ่งหายใจก็ได้พุทโธก็ได้อะไรก็ได้ดูท้องพองยุบ ก, ก็ได้ถ้าทําแล้วสบายใจนะเช่นบางคนก็หัด รู้ลมหายใจไปใจหนีไปคิดแปบบ๊บรู้ว่าใจหนีไปคิดใจไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าไปเพ่งลมหายใจดูท้องพองยุกก็เหมือนกันดูแล้วใจหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดใจเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ว่าเพ่งท้องเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งท้องนะงั้นติดสมถะทั้งหมดนะและแล้วก็เกิดอาการเช่นคนลุกขลพองวูบวูบๆ้นะมแมลงเล็กมแมลงใหญ่มาไตา่หน้าอาการของปีติทั้งหมดเลยตัวลอยตัวโครงตัวเบาอะไรเงี้ยบางคนลอยจริงๆริงนะลอยบนพื้นเล อาการของปีติไม่ใช่วิปัสสนานะเพราะเราหลงไปเพ่งเราหลงไปกําหนดเราสติตัวจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นแอบไปคิดแล้วรู้ไหมหลวงพ่อบอกนี่ไม่ได้ติเตียนหลวงพ่อบอกเพื่อให้รู้จักว่าใจหนีไปคิดเป็นอย่างนี้เนี่ยหนีไปคิดแล้วเบอร์21อ็ดหัดรู้สึกอย่างเงี้ยใจหนีไปแล้วรู้หนีไปแลรู้ถ้าไม่อยากหัดสภาวะเยอะๆนะไม่อยากต้องรู้สภาวะมากๆหัดสองอันก็พอ ใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้นี่คนไหนไม่เคยฝึกกรรมฐานก็จะมีแต่ใจหนีไปคิดแวบบแวบบแวบบตลอดส่วนพวกที่ฝึกกรรมฐานมามีสองอันไม่เผลอไปคิดก็เพ่งเอาไว้มีอยู่สองอันเท่านั้นรวนแต่ผิดทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวเราต้องหยุดแค่นี้ก่อน